ทีนี้ผนางผู้เสดีราชเทวีเนี่ยนะผู้ผู้เสดีเนี่ยใครผนางผู้เสดีอ๋อที่เล่าตอนเช้ า, ชาเอา้าทางนั้นก็มาจะถามทําอะไรอีกนั้นก็แม่นะแม่พระเบสันดอนท ง, งั้นทีนี้ผนางผู้เสดีราชเทวีก็เลยคิดว่าข่าวเดือดร้อนมาถึงลูกของเราลูกของเรานี่จะทําอย่างไรเนาเราจะไปให้รู้ความ จึงเสด็จไปด้วยศีวิก า, การจนะเนี่ยนะม่านเนี่ยปกปิดประทับที่ทาวารห้องบรรทมอันมีสิริเนี่ยนะศีวิก า, การจนะเนี่ยนะก็คือคืออะไรศีวิก า, การจนะการเฉลียงหามใช่ไหมนั่งนั่งเฉลียงหามเนี่ยไปเนี่ยนะเฉลียงหามเนี่ยประดับตกแต่งแบบทองซะส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าศีวกากานะิการจนะการจนะแปล ว, ว่าทองเนี่ยศรวิก า, กาก็คือเฉลียงหามไปเนี่ยนะ ที่มีม่านปกปิดทีนี้ไปพอดีกำลังได้ยินลูกลูกตัวกับลูกสะพ้ยเนี่ยสนทนากันพอดีเลยเนี่ยนะฟังสองกษัตริย์พูดอย่างนั้นก็เลยร้องไห้คํามควรอย่างน่าสงสารไปเลยเนี่ยนะแม่ก็ร้องไห้ไปเลยว่าพระนางพุทธดีราชบุตรีพระเจ้ามัทราชผู้ทรงยศได้สดับพระราชโอรสและพระสุนิสาทั้งสองปริเทวานาการ ก็พลอยคร่ำครวญละห้อยให้ว่าเนี่ยนะก็ไปร้องให้เลยนะก็ในเรื่องนี้จะมีอะไรสัมปยกทุกวิปโยคทุกนี่แหละปกติทุกเนี่ยมันมีอะไรนะทุกกายศาสตร์ใช่ไหมชาติพีทุกขาเกิดก็เป็นทุกชราก็เป็นทุกมรณะก็ประกอเป็นทุกอะนะตายก็ทุกอะโศกก็ทุกปริเทวะก็ทุกทุกกายก็ทุกทุกใจก็ทุกเหมือนกันแล้วก็ทุกเพราะ ความขับแค้นใจก็ทุกข์ทุกข์เพราะพัดภาคจากของรักก่ทุกข์เนี่ยนะพัดภาคจากของรักประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้ดีก็จะมีกลับโดยมากประกาศทุกข์่าอริยสัจซะสส่วนใหญ่ว่าเออนี่นะทุกข์ว่าจะจากแต่จริงยังไม่ทันได้จากหรอกแต่รู้ว่ากําลังจะจากก็ทุกข์ก่อนว่าเออเราจะจากนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิปโยคทุกข์เนี่ยนะยังไม่ทันวิปโยคแต่รู้ว่าจะวิปโยค คือการพลัดพรากก็เลยทุก่อนพรากว่างั้นเถอะที่จริงการพรัดพรากมันตัวมันเองไม่ได้ทุกอะไรหรอกแต่ว่ามันทุก่อนจะพลัดพรากเนี่ยนะก็เลยไปร้องไห้เนะนะคร่ำครวญว่าโอ้เรานี่ไปกินยาพิษให้มันตายซะยังจะดีกว่าเพราะงั้นแม่เนี่ยนะมาจะขอจะขอตายอย่างเดียวเลยนะไปโดดเหวให้เส็ดตายซะยังจะดีกว่าเพรางั้นเอาเชือกผูกคอตายซะยังจะดีกว่านะไปถึงก็จะขอตายอย่างเดียวเลยนะ ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะจึง อ, อาจจะช้าเร็วหน่อยนะเหตุฉน ái ชาวซีพีจึงให้ขับลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดเหมือนเหตุฉน ái ชาวซีพีจึงให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษไม่ผิดผู้รู้ตรัยเพศเป็นฐานนบดีควรแก่การขอไม่ตณี น, นะคนดีขนาดนี้ทำไมชาวบ้านชาวเมืองจึงให้ไล่นี้อีกเหมือน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 เหตุไฉ น, นชาวซีพีจึงได้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลต่อพระเจ้าแผ่นดินแก่เทพพระเจ้าแก่พระประโยชน์แก่พระสหายเกื้อกูลทั่วแว่นแคว้นเหตุไฉ น, นจึงให้ขับไล่ลูกเวสันดรผู้ไม่มีความผิดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น ค, ำคํำคร่ําครวญร้องห h o ร้องไห้ของพระนางพู้เสด็ผู้เป็นแม่เนี่ยนะพระนางผูดสด็ก็คร่ําครวญอย่างน่าสงสารด้วยชะนีแล้วก็ปลอบพระโอรสและ พระสีสะพายสีเนี่ยก็มาจากคำว่าสิริเนี่ยนะสะพายผู้ทรงสิริว่า ง, งั้นให้อุ่นพระไทยที่จริงสะพายก็ไม่ใช่ที่ไหนก็หลานตัวนั่นแหละก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสรรชัยละเนี่ยนะกราบทูลว่าชาวีวีเนี่ยให้ขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐมนตรของพระองค์จะเป็นเหมือนรังพึ่งร้างเหมือนผลมะม่วงลงบนพื้นดินฉะนั้ น, นนะ ก็ค้าว่ารวงพึ่งเนี่ยมามันจะร้างจากตัวแล้ววะงั้นพระองค์อันหมู่เสวกกามาบละทิ้งแล้วจักต้องลำบากเพราะอยู่พระองค์เดียวเหมือนหงซึ่งมีขนปีกหลุดร่วงแล้วก็จักลำบากอยู่ในเปลือกตมอันไม่มีน้ํำฉะนั้ น, น, น, นก็คิดถึงทุกขของลูกที่ลูกจะไปอยู่นะข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงขอกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเสียเลยนี่นนะ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 พระเจ้าสรนชัยพอฟังอย่างนี้เข้าก็บอกว่าเมื่อเราขับไล่ลูกรักผู้เป็นเหมือนกับธงชัยของชาวซีพีก็ทําโดยเคารพต่อขัติยราชประเพณีธรรมะของโบราณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประเพณีธรรมของเมืองนี้บอก ง, งั้นเพราะฉะนั้นถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จะต้องขับไล่เนี่ยนะเรียกว่าอ้างเคารพอะไรก็สมัยนี้เคารพกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เหมือนเคารพประเพณี ของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเขามีประเพณีอย่างนี้ถ้ากษัตริย์องค์ไหนมีความผิดต้องไล่ให้หนีไปอยู่เขาวงกฎเหมือนกันซึ่งอธิบายว่าแน่พน้องผูษสีผู้เจริญเมื่อฉันขับไล่คือในประเทศลูกพระเวสสันดรซึ่งเป็นธงชัยของชาวซีพีก็ทําโดยเคารพย้ำเกรงต่อขัติยราชประเพณีธรรมของโบราณในซีพีรัฐเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกพระเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของฉันถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขับไล่เนี่ยนะ รักมากยังไงก็ทิ้งประเพณีไม่ได้หรอก <c oughs> พระนางผู้เสดระเจเทเวีพอได้ฟังอย่างนั้นก็คร่ำควรวญรำพันว่าในการก่อนๆ น, นะเหล่าทหารถือธงและเหล่าทหารม้าเป็นต้นราวกะดอกกนนัิกาอันบานแลว้วและราวกับป่าดอกกันนิกาไปตามเสด็จพ่อพระเวสสันดรผู้เสด็จไปในไหน วันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงลูกเวลาไปไหนก็มีบริวารใช่ไหมมีทหารหอ่อล้อมหน้าล้อมหลัง ม, ม, ม, มีผู้ต้อนรับรับสเสด็จเยอะแยะไปหมดอ้าวตอนนี้จะไปคนเดียวแล้วงั้นเถอะเหล่าราชบริษผู้หอมผ้ากำพลเหลืองมาแต่แคว้นคันทรัฐมีแสงสีดุดแมลงค่อมทองตามสเสด็จไปในไหนวันนี้พ่อจ ะ, สะเสด็จไปแต่พระองค์เดียวแต่ก่อนพ่อเคยสเสด็จไปด้วยช้างพระที่นั่ง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 ไม่มีใครนําผ้ากาสาวะและหนังเสือไปเมื่อพ่อเสด็จไปสู่ป่าใหญ่ใครจะช่วยแต่งพระองค์ด้วยภาพเปลือกไม้นะประหงคนแต่งตัวอีกอจะไปอยู่แล้วใครจะแต่งตัวให้เหมือนกันก็ไม่มีนะเพราะเฮรายขัตติยะบรนประชิตทั้งหลายจะทรงภาพเปลือกไม้ได้อย่างไรหนอทีนี้แม่มัสสีเนี่ยนะก็ะห่วงลูกสะพ้ยอกีกห่วงลูกเสร็จก็ไปห่วงสะพ้ต่อว่า แม่มัตสีจะนุ่งห่มผ้าคากรองกะไรได้ผ้าคากรองก็คือเอาผ้าผับเปลือกไม้นะเปลือกไม้มาถักถักถักถกแล้วมานุ่งให้ลูกสะพ้ า, าเราจะไปนุ่งอย่างนั้นได้ยังไงแม่มัตสีเคยทรงภูสามาแต่แควนกาสแีและโขมพัดและโกธมพรพัดเนี่ยนะบัดนี้จะทรงผ้าคากรองเนี่ยจะทําอย่างไรแม่มัตสีเคยเสด็จไปในไหนด้วยศีวิกาการชนะคานถามได้รถพระที่นั่งวันนี้ แม่ผู้มีพระวรากายหาที่ตีไม่ได้จะต้องดำเนินไปตามวิถีด้วยพระบาทแม่มัสีผู้มีฝ่าพระหัต์และฝ่าพระบาทอ่อนมักมีพระหารไทยวันขวัญอ่อน on. สถิตอยู่ในความสุขเสด็จไปข้างไหนก็จะต้องสวมฉลองพระบาทวันนี้แม่ผู้มีอวัยวะงามจะต้องดำเนินสู่วิถีชีวิตเนี่ยนะคือดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าแม่จะเสด็จ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 ร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองสัน่นดุดแม่มดสั่นอยู่ฉะนั้นโอ้ยไปอยู่ในป่าเนี่ยนะไปได้ยินเสียงนกเสียงอะไรร้องใส่ตกใจตัวสั่นหมดเลยมั้งเนี่ยนะวันนี้แม่ผู้มีรูปงามผู้เป็นผู้ขลาดไปสู่แนวป่าตัวแม่เองเนี่ยจัมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังนี้ ว, นะนะว่างเปล่าจากลูกรักทีนี้ก็พูดถึงตัวเองมั้ง น, นะตัวเองถ้ามาเยี่ยมวังลูกวังหลานนะมาแล้วไม่มีลูกมีหลานอยู่เลยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะ ปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นร้านเห็นสะพ้ายเห็นอะไรใช่ไหมมาครั้งนี้ถ้ามาเจอวังเปล่าแล้วจะทำใจยังไงวะเนี่ยเห็นไหมแม่นี่ก็ที่จริงแล้วนะว่าไปทั้งหมดเนี่ยรักลูกจริงหรือว่ารักตัวเองเนี่ยนะว่าไปให้ตรงๆกนะันนะนะที่ทุกเนี่ยออลูกของเราก็จะจากนะสะพายก็จะไปทีนี้ถ้าเรามาเที่ยววังแล้วก็โดดเดี่ยวเงาหงอยแล้วกันนี้ใครทุกข์กับกันกันนี้ชั้นนั่นแหละทุกข์เพราะไม่ได้เจออีกแล้วเหมือนกัน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 เมื่อมอมชั้นพี่ราบอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นเสียจากแว่นเควนมอมชั้นจะต้องสละชีวิตเสียเป็นแน่อันนี้ก็เป็นคำอดอ้อนของพนางพูสดีที่มีต่อพระเจ้าสัรชัยเนี่ยนะก็ว่าเ อ, อคือสรุปว่าอย่าไล่ลูกไปเลยนะเหมงนนเถอะอันนี้ทั้งหมดเอาเหตุผลมาอ้างหนึ่งหน้าลูกพระเวสสันดรท่านไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สองลูกสะายไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์ สมชั้นไม่เห็นลูกสะพ้าลูกแล้วก็จะทุกข์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ลูกหนีจากรอกแบบนั้นก็สรุปเป็นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าปกติแล้วนะหัวหน้าร้องลูกน้องก็เอามั่งนะพวกเหล่าซีพีกัญญาทั้งหลายของพระเจ้ากรุงสันชัยทั้งปวงได้ยินเสียงคร่ําครวญของพระนางผุ้สดีเทวีก็ประชุมกันร้องไห้บ้างนะเห็นร้องเจ้าเนึองก็แหมโรคนี้มันเหมือนกวัดเหมือนกันนั้นมันติดติดติดติดกันสะอื่นกันไปหมดเลยแบบนั้น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 รังเนี่ยนะต้องลมย่ำยีแล้วก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องให้คร่ำครวญกันเต็มไปหมดพระาศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเหล่าซีพีกัญญาทั้งปวงในพระราชวังได้ฟังพระสุรเสียงของพระนางพุ้สดีการแสงก็ประชุมการประคองแขนทั้งสองร้องให้เหล่าราชบุตรราชบุตรตรีพระฉายาสนมพระกุมารพ่อค้าพราหมณ์กองช้างกองม้า ก, กองรถกองราบ ฝ่ายข้างวังพระเวสสันดรก็พากันลงนอนยกแขนทั้งสองร้องให้ประหนึ่งหมู่ไม้รังเนี่ยนะต้องลมประหารย่ายีก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องให้คําควรกันไปหมดนะเพราะว่านายจะต้องจากละแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างดวงอาทิตย์ขึ้นพระเวสสันดรก็เสด็จมาสู่โรงทานเนี่ยน ะ, ะคนจะให้ทานเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นก็ให้ทานอยู่ดีเนีย่ยนะก็เหมือนกับกลุ่มพวกเราที่ชอบฟังทำใช่ไหม บ้านเมืองเงนจะเป็นยังไงก็ฟังทำอยู่ดีแบบนั้นเถอะข้าวจะอยากมาแกจแพงน้ำมันจะขึ้นจะลงก็สรุปว่าฟังเทศต่ออยู่ดีแบบนั้นเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรก็มาสู่โรงทานต่อเลยก็เลยบำเพ็ญทานโดยพระราชองค์การว่าเจ้าทั้งหลายจงให้ผ้าหม่มแกเหล่าผู้ต้องการผ้าหม่มใครอยากได้ผ้านะให้ผ้าเข้าไปให้น้ําเมาแก่พวกนักเลงสุราเนี่ยนะแสดงว่าสมัยนั้นนี่โหไม่ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่เลยนะ ก็ยังชอบเล่ากันอยู่ดีให้โภชนาหารแก่ผู้ต้องการโภชนาหารโดยชอบทีเดียวอย่าเบียดเบียนเหล่าวันนี้พกผู้มาในที่นี้แม้แต่คนเดียวอย่าไปตีเขานะอย่าไปเบียดเบียนพวกขอทานนะจงให้ให้อิ่มหนำด้วยข้าวแลวนะน้ําพวกนี้เราบูชาแล้วจงให้ยินดีกลับไปเดี๋ยนะเพราะฉะนั้นขอให้เขามามาแล้วก็ใหข้ของที่เขาพอใจนะให้เขากลับไปด้วยความยินดีว่าไง มันคล้ายๆกับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติเลยนะถ้าถ้าทั่วๆไปนะคนที่เลี้ยงแขกแล้วก็คิดว่าแขกที่มาทั้งหมดเป็นผู้มีเกียรตินี่อยากให้เขาเหล่านั้นได้รับความชื่นอกชื่นใจกลับไปให้ทุกคนฉันใดเนี่ยนะพระเวสสันดรผู้รักยาจกทั้งหลายเนี่ยนะคือคืออยากให้เขามีความสุขจริงๆถ้าเขามาเขาได้ดีมีความสุขก็ขอให้เขาได้กลับไปเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญเสด็จออกแล้ว ดดคนเมาสุราเนี่ยนะหรือคนเหน็ดเหนื่อยชาวซีพีเนี่ยเหมือนตัดเสียซึ่งต้นไม้ที่ให้ผลต่างๆที่ทรงผลต่างๆให้ความใคร่ทั้งปวงนำมาซึ่งรถคือความใคร่ทั้งปวงเพราะพวกเขาขับไล่พระเวสสันดรผู้หาความผิดไม่ได้จากรัฐมนตรนก็พูดถึงว่าโหชาวซีพีครั้งนี้คิดผิดอย่างมากเลยนะที่ไล่ไล่คนดีออกจากบ้านจากเมืองวังั้น ในเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญเสด็จออกแล้วเหล่าคนแก่คนหนุ่มและคนกลางคนทั้งหมดพูดแม่มดคันทีสตรีและราชาเนี่ยนะคือสตรีของพระราชาสตรีในพระนครพรามสมณะและเหล่าวันิพกอื่นๆประคองแขนทั้งสองร้องให้ว่าดูเถอะพระราชานี้เป็นอธรรมคืออำนาจสั่งไลนี่อยู่ที่พระราชาใช่แต่ชาวเมืองเนี่ยไปกดดันพระราชาพระราชาสั่งไล พอพระราชาออกคําสั่งไล่ถามว่าใครผิดงานนี้พระราชารับแต่เพียงผู้เดีย ว, วาถือว่าพระราชานี่ยทมนะพระราชาไม่มีทำไล่คนดีออกจากบ้านจากเมืองอะนะพระราชาก็รับเคราะหไปนะชาวบ้านเขาก็ด่าพระราชากันเต้นไปหมดจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพระราชาไม่ได้อยากไล่นะแต่ว่าไปโดยอํานาจโดยตําแหน่งเท่านั้นแหละพระเวสสันดรนี้ก็เป็นผู้อันมหาชนในเมืองของตนบูชาแล้วต้องเสด็จออกจากเมืองของพระ อ, องค์ โดยความต้องการของชาวสีพีพระเวสสันดรมหาสัตว์นั้นพระราชทานช้างเจ็ดร้อยเชือกนะล้วนประดับด้วยขชาลังการซึ่งมีเครื่องรัด ก, กลางตัวนะแล้วไปด้วยทองคลุมแล้วด้วยเครื่องประดับทองมีนายหัตถาจารนะ์ขี่ประจําถือโตมรและขอเรียนกะนะว่าให้ช้างเรียนกะว่าครบองทรงเครื่องของช้างทุกชนิดเลยให้ไปเจ็ดร้อยเชือก พร้อมอเรียกว่าช้างเป็นหัวหน้านะแต่จริงๆแล้วรวมทั้งผู้อาจารย์ช้างด้วยคนดูแลช้างเบ็ดเสร็จหมดแหละให้ม้าเจ็ดร้อยตัวพร้อมสับไปด้วยอศวาพรเนี่ยนะอศวาพรก็คือเครื่องประดับของม้าทุกชนิดเป็นชาติม้าอาชาในสินทบเป็นพาหนะว่องไวมีนายอาศวาจารย์ขี่ประจำห่มเกราะถือธนูเนี่ยนะก็เป็นม้าอย่างดีที่มีทหารประจมาม้าเลยนะ แล้วก็รถอีกเจ0ดรอคันอันมั่นคงมีทงเนี่ยปักแล้วหุ้มหนังเสือเหลืองเสือโคร่งประดับด้วยสัพปะลังการมีคนขับประจำถือธนูห่มเกราะเนี่ยนะแสดงว่าให้เหมือนกับว่าให้ทับนะนะเหมือนกับให้กองรถหนึ่งกองไปเลยอะ่ะสตรีเจ็ดร้อคนคนหนึ่งๆเนี่ยอยู่ในรถสวมสร้อยทองคำประดับกายแล้วก็ด้วย ทองมีอลังการสีเหลืองนุ่งห่มผ้าสีเหลืองประดับอาภรณ์สีเหลืองมีดวงตาใหญ่ยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดมีตะพกงามเนี่ยนะบ้านเอวบางแบงนั้นก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งยิ้มแล้วค่อยพูดปกติเห็นอย่างงั้นบ่อยหรือเปล่าบึ้งก่อนแล้วค่อยแสดงนช่ไหมอันนี้นเขามียิ้มก่อนแล้วค่อยพูดแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็ให้โคโนอมอีกเจ็ดร้อยตัวล้วนแต่งด้วยเครื่องเงิน ทาสีเจร้อยคนทาดอิจเจร้อยคนะพระองค์ทรงบำเพ็ญทานเห็นตาานี้ก็ต้องเสด็จจากแว่นแคว้นของพระองค์พระราชาพระเวสสันดรเนี่ยนะพระราชทานช้างม้ารถและสตรีอันตกแต่งแล้วต้องนิราชจากแว่นแคว้นของพระองค์ในเมื่อมหาทานอันพระเวสสันดรพระราชทานแล้วพสุธาดนก็กำปนาดหวั่นไหวเนี่ยนะแผ่นดินก็ไหวเป็นครั้งที่สเนี่ยนะและพระราชาเวสสันดรก็กระทำอันเฉลี น, นิราช จ, จากแว่นแควนของพระองค์นั่นเป็นอัศจรรย์อันน่าสยดสยองให้ค้นพองสยองกล้าวได้เกิดมีแล้วในการนั้นคือพอออกจากแผ่นดินนี้แผ่นดินก็ไหวซึ่งสรุปอีกครั้งว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อราตรีนั้นล่วงไปดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพวกขวนขวายในทานได้กราบทูลแด่พระเวสสันดรว่าได้จัดเสร็จแล้วนี่ก็พูดถึงพระเวสสันดรไปให้ให้ทานเนี่ยนะ มีอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ให้เล่านิดหนึ่งว่าพระเวสสันดรเนี่ยทรงทราบว่าการให้น้ำเมาเนี่ยเป็นทานที่ไร้ผลถ้ามีลินตะปัญหาพูดว่าใครให้น้ำเมาเป็นทานตกนรกด้วยซ้ําไปเนี่ยนะแต่นี้ท่านรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัดข้อคอรหาคือคิดว่าพวกนักเลงสุราเนี่ยมาถึงโรงทานแล้วอย่าได้กล่าวว่าไม่ได้ดื่มสุราในโรงทานของพระเวสสันดรดังนี้ก็ให้ไปเนี่ยนะให้ต้องการตัดคำแต่ไม่ได้ต้องการให้เพื่อ เอาบุญอะไรเนี่ยนะไม่ได้ต้องการประสงค์บุญแต่ว่าตัดความรำคาญออกไปเนี่ยนะพระเวสสันดรตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เราบูชาแล้วจงกระทำอย่างที่เขาไปแล้วเขาสรรเสริญเราพระเวสสันดรได้พระราชทานสัตสะตะสะดกมหาทานคือช้างเจ็ดร้อยเชือกมีเครื่องประดับทองมีธงคลุมด้วยขายทอง อย่างที่สองก็มา700รอตัวเหมือนอย่างนั้นนั่นแหลรถ700ร้อคันหุ้มด้วยหนังราชสีเป็นต้นวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆมีธงทองสตรีนิมิก ข, ขติยะกัญญาเป็นต้นเนี่ยร้อคนประดับด้วยสัพพอลังการทรงรูปอนุดมครั้งนี้เนี่ยให้หนักมากให้แม้กระทั่งนางกษัตริย์เนี่ยนะให้นางกษัตริย์ไปเ0็รอยนางเลยเนี่ยนะ และก็ให้แม่โคนมีเจ0ดร้อตัวซึ่งเป็นหัวหน้าโคผู้ประเสริฐรีดนมได้วันละม้อทาสีอีก700รอคนเนี่ยนะผู้ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีทาด่าทีเจ็ดร้อยคนเหมือนอย่างนั้นพร้อมทั้งเครื่องดื่มและโภชนาหารอันหาประมาณไม่ได้ด้วยประการชนนี้บอก ว, ว่าเมื่อพระมหาสัตว์บริจาคคานอยู่อย่างนี้ชาวเชตุดรมีกษัตริย์เป็นต้นพราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นต่างพิรัยรำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เป็นเจ้า นะชาวสีพีรัตขับพระองค์ผู้บริจาคทานไปเสียจากรัฐมนตร์พระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีกถ้าจะว่าไปนะก็เขาขับไล่เพราะให้ทานเนี่ยนะก็ยังจะขอให้ทานก่อนแล้วค่อยไปนะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีใจในการบริจาคทานเป็นอย่างมากทีนี้ถามว่าเอ๊ที่ว่าบริจาคนางกษัตริย์ไปเป็นร้อยเนี่ยนะถามว่าให้จริงไหม ก็บอกอันนี้ให้จริงๆนัไม่ได้เขียนว่ามาเพื่อหลอกล่ออะไรถามว่าดูได้จากอะไรอีกบอกดูได้จากเทรีอปทานเนี่ยนะอปะทานว่าด้วยนางพระเทรีทั้งหลายอย่างนี้ในพระเทรี1800งรูปเป็นประมุกเนี่ยนะในเทรีอัปทานข้อ170กล่าวถึงพระภิกษุณีเนี่ยนะภิกษุณีอ่ะก็คือพระเทรีเ่ยนะพระเทรีเหล่านี้คือ คือผู้ที่เคยถูกตัวเองเนี่ยบริจาคไปหลายชาติด้วยกัน น, นะซึ่งถ้าลองฟังดูในอปทานสักนิดหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าพระเวสสันดรให้จริงๆแล้วคนที่ถูกให้เขาก็ไม่ได้เสียใจนะเขาก็ยินดีที่จะเออเขาให้เราก็ยอมะนะแล้วแต่เขาจะให้วันกันเถอะซึ่งกล่าวถึงภิกษุณีหนึ่งมดพันเนี่ยนะมีพยโสธราเถรีเป็นประธาน เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิษุณีทั้งหนึ่งหื่นปดันนี่ล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์ถวายบังคมพระยุโคลบาทแห่งพระมุนีได้กราบทูลตามกําลังว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นายกหม่อมชันทั้งหลายมีชาติชราพยาธิและมรณะสิ้นแล้วย่อมถึงอมะตะบทอันสงบไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหามุนีผู้เป็นนายกชั้นพิเศษประชาชนย่อมรู้ความผิดคือความพลั้งพลาดที่มีในก่อนของหม่อมชันทั้งปวงขอพระองค์ โปรดประทานโทษแก่มอมชันทั้งหลายเถิดคือกล่าวถึงพิษุนีหนึ0งหรูปไปขอลาเพื่อจะดับขันปรินิพานนั่นเองเนี่ยนะไปขอลาตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ถามว่าลาเมื่อช่วงประมาณเท่าไหร่บอกว่าช่วงประมาณพระผู้มีพระภาคอายุประมาณ78า็ดสพรนปศเนี่ยนะคือพระนางยโสธารานี้ดับขันปรินิพานตอนอายุ78ปีเนี่ยนะเจปีก็ดับขันปรินิพาน ทีนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของเราจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งมวลเถิดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระยะโสธราเทรีผู้เป็นประชาบดีแห่งพระองค์เมื่อ ย, ยังดำรงอยู่ในอคารวิสัยเป็นที่พอพระไทยน่ารักน่าชมทุกอย่างเป็นหัวหน้าแห่งสตรี1 9ึ่าพันเนี่ยนะ ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีจักสุกผู้เป็นนายกของนรชนพยโสธราเถรีและหม่อมชันทั้งหลายขอถวายบังคมพระยุคลบาทเป็นผู้สำเร็จแล้วด้วยกุศลธรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค์ข้าแต่พระมหาโมนีหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์เนี่ยนะพูดถึงพระเถรีทั้งหลายที่เป็นพระอรหรันเนี่ยนี่พูดในสมัยพุทธกาลอ่ะ น, นะเป็นพระอรหรันมีหูทิพมีรู้วาระจิตผู้อื่นได้ตาทิพเนี่ยนะ รู้ละลึกชาติได้หมดอาสวะแลว้วไม่มีการเกิดในภพใหม่อีกข้าแต่พระมหาวีระเจ้าม่อมชันทั้งหลายมียาในอัฏฐธรรมนิรุตปฏิพานเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ม่อมชันทั้งหลายสแสดงความสมาคมแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนาถของโลกทีนี้ก็พูดถึงบุพกรรมที่พระนางเหล่านั้นเคยได้ทําว่า ข้าแต่พระมหามมนีอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันทั้งหลายย่อมเป็นประโยชน์แก่พระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมชันทั้งหลายเถิดเนี่ยนะก็ยังไงยังไงก็ช่วยระลึกถึงบุญที่หม่อมชันทําไว้บ้างนะเหมือนกันอา้าวแล้วไปทําบุญอะไรมาล่ะก็บอกว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชันทั้งหลายเคยสั่งสมบุญเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชันทั้งหลายงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควร แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี้ประทานหม่อมชั้นทั้งหลายเพื่อต้องการให้เป็นพัญญาของผู้อื่นหลายพันโกดกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นทั้งหลายไม่ได้เสียใจแสดงว่าเคยถูกให้มาแล้วหลายชาติแล้วนะเป็นโกดกลับเลยไม่ต้องพูดเลยนะแสดงว่าแม้ขอเป็นผู้ให้ ค, คือยอมให้เข้าบริจาคตัวเองไปให้คนอื่นเหมงนนเถอะ ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี่ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อเป็นอุปการะหลายพันโกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เรื่องนี้หม่อมฉันไม่ได้เสียใจเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี้ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อประโยชน์เป็นอาหารเนี่ยนะบางชาติก็ให้ให้เนี่ยบางชาติเนี่ยยกให้ไปเป็นอาหารของผู้อื่นนะนะเป็นพันโกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่ได้เสียใจในเรื่องนี้เลยหม่อมฉันทั้งหลายยอมสละชีวิต ทำความพ้นภัยร้ายพันโกดกับข้าแต่พระมหามุนีหม่อมชั้นทั้งหลายไม่เคยหวงเครื่องประดับและผ้ามากชนิดซึ่งอยู่ที่ตัวและพันฑะคือตัวหญิงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีผู้วีระเจ้าทรัพย์ข้าวเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมนาบุตรธิดาช้างม้าโคทาสีพัญญามากนับไม่ถ้วนพระองค์ทรงบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ พระองค์ตรัสบอกแก่ม่อมชั้นทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจักให้ทานกับพวกยาจกเมื่อเราให้ทานอันุดมเราทั้งหลายก็ไม่เห็นความเสียใจยกันเนี่ยนะก็แสดงว่ายินดีที่จะให้พระเวสสันดรนี่บริจาคกันนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าม่อมชั้นทั้งหลายยอมรับทุกขมากมายล่ะอย่างนับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ม่อมชั้นทั้งหลายได้รับความทุกย่อมอนุโมทนาใน คราวที่ได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจคือหมายถึงว่าตอนไหนที่ได้รับความสุขก็ยินดีะนะตอนไหนได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาโมนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยมรคาอันสมควรเนี่ยนะเสริชสุขทุกข์แล้วได้บรรลุซึ่งสัมโพธิญาณม่อมชั้นทั้งหลายได้ร่วมกับพระพุทธเจ้าผู้นามว่าโคดมผู้เป็นนายกของโลก ผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐมาเป็นอันมากพระองค์ก็ได้ร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆผู้เป็นนาถะของโลกเป็นอันมากเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าอธิการของหม่อมฉันทั้งหลายมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เนี่ยนะคือพอสรุปสรุปว่าโอโ้โหได้ทําช่วยเหลือพระองค์มาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแบบนั้นก็คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้านี่บําเพ็ญบุญมากใช่ไหมบำเพ็ญบารมีมากถ้าคนอื่นเขาไม่ไม่ยินดีไม่มาร่วมไม่มาเห็นด้วยเนี่ยนะ ถามว่าจะสร้างบําเพ็ญบุญสําเร็จได้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนถ้าใครอย่างเอาสมมติอย่างคุณชูศรีอย่างเงี้ยจัดเลี้ยงให้มีการฟังธรรมในบ้านถ้าเอาลูกชายก็ไม่เห็นด้วยลูกสาวก็ไม่เห็นด้วยสามีก็ไม่เอาด้วยอ้าวจะไปทําได้ยังไงอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าหากว่าพวกบริวารทั้งหลายเป็นต้นพุทธบริษัทไม่ยอมด้วยแล้วจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าแต่พระมหาวีระเจ้าอธิการ ของหม่อมชันทั้งหลายเนี่ยมีมากก็ทำเพื่อพระ อ, องค์ในสี่อสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรเป็นพระมหาวีระเป็นนายกของโลกเสด็จขึ้นแล้วในโลกเพราะฉะนั้นก็สืบสาวว่าพระนางเหล่านี้ได้ทำบุญร่วมกับพระโพธิสัตว์มาเมื่อสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาถามว่ากลุ่มไหนกลุ่มที่รอข้ามท่าข้างหน้าต่อไปนั่นเองนะนีนะ พวกเราด้วยใช่ไหมเ <laughs> ราดูว่าของเราดูดูบางอย่างก็ไม่ได้รู้สึกค่อยรีบอะไรนะ <laughs> <laughs> สบายสบา ย, สบายเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยรีบอะไรห <laughs> รอกเฉพาะเรื่องนี้นะนั่นนะคือจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งกลุ่มขัตยะกัญญาทั้งหลายนางกษัตริย์ทั้งที่ที่ได้รับการบริจาคไปเนี่ยนะนางเหล่านั้นก็ยินดีให้บริจาคซึ่งได้มีการบริจาคอยู่จริงๆซึ่ง ไม่ใช่เอามากล่าวเฉยๆเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการบริจาคจริงในชาดกก็จะขัดกับคัมภีอัปทานเนี่ยนะถ้ากล่าวว่าอปทานพูดผิดก็จะขัดกับในชาดกเพราะว่าเนื้อหาจะสัมพันธ์กันในพระไตรปิฎกจะจะไม่ขัดกันเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ได้มีการบริจาคทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นสัตว์ทั้งที่เป็นสิ่งของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะคือแสดงว่าท่านรักพระสัมโพธิญาเนี่ยมากเพราะว่า ต้องไม่ลืมว่าเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เดิมว่าจะให้ทานเหมือนกับหมาอความเนี่ยนะ